พระไตรปิฎกเล่มที่สองมหาสาวโรปรมสูตรอุปมาการประพฤติพรหมจรรย์ด้วยการสแสวงหาแก่นไม้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิชกูดเขตปรุงราชฤท์เมื่อพระเทวทัตจากไปแล้วไม่นานณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงปราบรพระเทวทัต ได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณนะโสกะบริเทวะทุกทมนต์และอุปายาตครอบงำแล้วถูกความทุกข์ครอบงำมีความทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำอย่างไร การทำที่สุดแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้จะพึงมีได้เขาบวชแล้วอย่างนั้นทำลาบสักการะและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นเพราะลาบสักการะและความสรรเสริญ น, นั้นเขาจึงปลื้มใจและมีความรู้สึกสมหวังเพราะลาบสักการะและความสรรเสริญ น, นั้นเขาจึงยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีลาบสักการะและความสรรเสริญ ส่วนภิกษุอื่นนอกนี้ไม่มีชื่อเสียงมีศัก์น้อยเขาไม่สร้างฉันทะไม่พยายามเพื่อทาให้แจ้งธรรมะเหล่าอื่นอันยิ่งและปราณีตกว่าลาบสการะและความสันเสริญทั้งเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนท้อถอยเพราะลาบสการะและความสันเสริญ น, นั้นเขาจึงมัวเมาลืมตัวและประมาทเมื่อประมาทย่อมอยู่เป็นทุกข์ อุปมาเหมือนบุรุษนั้นผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวสอดแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้กระพี้เปลือบและสะเก็ดไปเข้าใจกิ่งและใบว่าแก่นไม้จึงตัดนำไปและกิจที่เขาจะต้องใช้แก่นไม้ทำจะไม่สําเร็จประโยชน์แก่เขาภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้ตถาคตเรียกว่าผู้ยึดเอากิ่งและใบแห่งโภมจันทร์และถึงความพอใจด้วยกิ่งและใบแห่งโภมจันทร์นั้นภิกษุทั้งหลายกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเขาบวชแล้วทำลาบสกการะและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นเขาจึงไม่ปลื้มใจและมีความรู้สึกยังไม่สมหวัง เพราะลาบสักการะและความสันเสรนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะลาบสักการะและความสันเสรนั้นเขาสร้างฉันทะพยายามทำเพื่อให้แจ้งธรรมะเหล่าอื่นอันยิ่งและประนีตกว่าลาบสักการะและความสันเสรนญทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเขาจึงไม่หมัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาท ยอมทำความสมบูรณ์แห่งศีลให้สำเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งศีล น, นั้นเขาจึงปลื้มใจและมีความรู้สึกสมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งศีล น, นั้นเขาจึงยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีศีลมีกัลยาณธรรมส่วนภิกษุอื่นนอกนี้เป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมเขาไม่สร้างฉันทะไม่พยายามเพื่อทาให้แจ้งธรรมะเหล่าอื่น อันยิ่งและปราณีตกว่าความสมบูรณ์แห่งศีลทั้งเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนท้อถอยเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงมัวเมาลืมตัวและประมาทเมื่อประมาทย่อมอยู่เป็นทุกข์อุปมาเหมือนบุรุษนั้นผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเาสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแกนยืนต้นอยู่ กลับมองข้ามแก่นไม้กระพีและเปลือกไปเข้าใจสะเก็ดว่าแก่นไม้จึงถากนำไปและกิจที่เขาจะต้องใช้แก่นไม้ทจาจะไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้ตถาคตเรียกว่าผู้ยึดเอาสะเก็ดแห่งพรหมจรรย์และถึงความพอใจด้วยสเก็แห่งพรหมจรรย์นั้น ภิกษุทั้งหลายกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเขาบวชแล้วทำลาบสักการะและความสันเริญให้เกิดขึ้นแต่ไม่ปลื้มใจในลาบสักการะนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะลาบสักการะและความสันเริญ น, นั้นเขาสร้างฉันทะพยายามเพื่อทำให้แจ้งธรรมะเหล่าอื่นอันยิ่งและประณีกว่าลาบสักการะและความสรนเริญ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 เพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์แน่วแน่ส่วนภิกษุอื่นนอกนี้มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตแปรพัน์เขาไม่สร้างฉันทะไม่พยายามเพื่อทำให้แจ้งธรรมะเหล่าอื่นอันยิ่งและปราณีกว่าความสมบูรณ์แห่งสมาธิทั้งเป็นผู้ประพฤติย่อหย่อนท้อถอยเขาจึงมัวเมา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 และกิจที่เขาจะต้องใช้แก่นไม้ทําจะไม่สําเร็จประโยชน์แก่เขาภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้ตถาคตเรียกว่าผู้ยึดเอาเปลือกแห่งปรมจันทร์และถึงความพอใจด้วยเปลือกแห่งปรมจันทร์นั้นภิกษุทั้งหลายกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ทำลาบสักการะและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นเขาไม่พอใจเพียงเท่านั้นพยายามเพื่อทําให้แจ้งธรรมะเหล่าอื่นอันยิ่งและปราณีตกว่าจึงทําให้ความสมบูรณ์แห่งศีลเกิดขึ้นเขาพยายามเพื่อทําให้แจ้งธรรมะเหล่าอื่นอันยิ่งและปราณีตกว่าจึงทําให้ความสมบูรณ์แห่งสมาธิเกิดขึ้นเขาสร้างฉันทะพยายามเพื่อทําให้แจ้งธรรมะเหล่าอื่นอันยิ่ง และปราณีตกว่าความสมบูรณ์แห่งสมาธิทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเขาจึงไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทย่อมทำยานัศสนะให้สำเร็จเพราะยานัศสนะนั้นเขาจึงปลื้มใจและมีความรู้สึกสมหวังเพราะยานัทสนะนั้นเขาจึงยกตนข่มผู้อื่นว่าเรารู้เราเห็นอยู่ ส่วนภิกษุอื่นนอกนี้ไม่รู้ไม่เห็นอยู่เพราะย า, านัศนะนั้นเขาไม่สร้างฉันทะไม่พยายามเพื่อทำให้แจ้งธรรมะเหล่าอื่นอันยิ่งและปราณีตกว่าย า, านัศนะทั้งเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนท้อถอยเขาจึงมัวเมาลืมตัวและประมาทเมื่อประมาทย่อมอยู่เป็นทุกข์อุปมาเหมือนบุรุษนั้นผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะสแสวงหาแก่นไม้อยู่ เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้ไปเข้าใจกระพีว่าเป็นแก่นไม้จึงถากนำไปและกิจที่เขาจะต้องใช้แก่นไม้ทจาจะไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้ตถาคตเรียกว่าผู้ยึดเอากระพีแห่งพรหมจรรย์และถึงความพอใจด้วยกระพีแห่งพรหมจรรย์ น, นั้น สำหรับคำว่าญาณทัศนะในที่นี้หมายถึงอภินยาหประการคือ 1. อิทธิวิธิความรู้ที่ทำให้แสดงฤทธ์ต่างๆได้ 2. ทิพโสตญาณที่ทำให้มีหูทิพเจโตปริยญาณญาณที่ทำให้กำหนดใจคนอื่นได้ 4. ปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณที่ทำให้ระลึกชาติได้และห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 ทำอย่างไรการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงมีได้เขาบวชแล้วอย่างนั้นทำลาบสักการะและความสันเสริญให้เกิดขึ้นเขาไม่ปลื้มใจและมีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะลาบสักการะและความสันเสริญ น, นั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยลาบสักการะนั้นเขาจึงไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาท พยายามเพื่อทำให้แจ้งธรรมะเหล่าอื่นอันยิ่งและปราณีตว่าเมื่อไม่ประมาทย่อมทำความสมบูรณ์แห่งศีลให้สาเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งศีล น, นั้นเขาจึงปลื้มใจแต่ยังมีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งศีล น, นั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาท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 พยายามเพื่อทำให้แจ้งธรรมะเหล่าอื่นอันยิ่งและราณีตกว่าเมื่อไม่ประมาทย่อมทำยาณทัศนะให้สำเร็จเพราะยาณทัศนะนั้นเขาจึงปลื้มใจและยังมีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะยาณทัศนะนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะยาณทัศนะนั้นเขาสร้างฉันทะ พยายามเพื่อทำให้แจ้งธรรมะเหล่าอื่นอันยิ่งและประณีตกว่ายานัทสนะทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเขาจึงไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทย่อมทำอัสมายญวิโมกให้สำเร็จหมายถึงโล ก, กุตรธรรม9ก้าคืออริยะสี่สามัญญผลสี่และนิพพานหนึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้น จะพึงเสื่อมจากอาสมัยะวิมุต t นั้นธรรมะอันยิ่งและปราณีตกว่าญานัทนะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่แม้ธรรมะข้อนี้ก็ยิ่งและปราณีตกว่ายานัศนะ อีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยะฌานที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่โดยในยะเดียวกันบรรลุตติยะฌานบรรลุจตุทัตถฌานแม้ธรรมะข้อนี้ ก็ยิ่งและปราณีตกว่าญานัทสนะอีกประการหนึ่งพอล่วงรูปปัญญาดับปฏิฆะสัญญาได้ไม่กําหนดนานาตสัญญาโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุอากาศสารญจายตนะฌานโดยกําหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้แม้ธรรมะข้อนี้ก็ยิ่งและปราณีตกว่าญานัทสนะ อีกประการหนึ่งเพราะลวงอากาานันจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุวิญญาณนันจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้เพราะลวงวิญญาณนันจายตนะฌานได้โดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุอากินจัญญายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไรเพราะลวงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวง ภิกษุบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะาฌานอยู่แม้ธรรมะข้อนี้ก็ยิ่งและประนีตกว่ายาธัทสนะอีกประการหนึ่งหลอบลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุสัญญาเวทายตะนิโรธอยู่เราเห็นด้วยปัญญาอสวะทั้งหลายของเธอย่อมสิ้นไป แม้ธรรมะข้อนี้ก็ยิ่งและประณีตกว่ายานัศนะเหล่านี้เป็นธรรมะอันยิ่งและประณีตกว่ายานัทนะภิกษุทั้งหลายบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเาสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่รู้แก่นไม้ว่าเป็นแก่นไม้จึงตัดนาไปบุรุษ ผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้รู้จักแก่นไม้กระพีเปลือกสเก็ดกิ่งและใบรู้อย่างแท้จริงท่านผู้นี้ผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเาสาะสแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่รู้แก่นไม้ว่าเป็นแก่นไม้จึงตัดนำไป และกิจที่เขาจะต้องใช้แก่นไม้ทาจากสำเร็จประโยชน์แก่เขาแม้ฉันใดกุลบุตรบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายดังพันนามาชนีพรมจรรจ์นี้จึงไม่ใช่มีลาบสการะและความสรรเสริญเป็นอนิสงหรือเป็นผลที่มุ่งหมาย มิใช่มีความสมบูรณ์แห่งศีลเป็นอานิสงมิใช่มีความสมบูรณ์แห่งสมาธิเป็นอานิสงมิใช่มียานัศนะเป็นอานิสงแต่พระมรรจา น, นี้มีเจตวิมุตติอันไม่กำเริบเป็นเป้าหมายเป็นแก่นเป็นที่สุดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้น